เชา้าก่อนฉันก็ได้พูดไป น, นิดหน่อยนะว่าสองที่ที่ผ่านมาก็อัตมาได้เดินทางไปประเทศอินเดียจุดหมายปลายทางก็อยู่เหนือสุดนะของประเทศอินเดียซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาเพราะว่ามันเป็นภาคตะวันตกของเทือกเขาหิมามายเราคงทราบดีแล้วว่าเทือกเขาฮิมามายนี่ถือเป็นหลังคาโลกนะ ภูเขาสูงที่สุดของโลกคือเอเวอเรสต์ก็อยู่แถวๆนั้นแหละแต่ว่าค่อนไปทางตะวันออกก็คืออยู่ในเขตพื้นที่ประเทศในปานแต่ว่าฮอทมานี่จาริกงไปยังดังด้านตอนตกของเทือกเขาฮิมาลัยซึ่งเป็นพรมแดนที่ติด ก, กับประเทศจีนเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยคนฮินดูก็ถือว่า เป็นสถานที่จะเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ได้มันมีชื่อเรียกในหมู่ท้องถิ่นว่าเทวภูมินะพวกเราจะเคยได้ยินคําว่าพุทธภูมินะท้องแดนพุทธภูมิก็คือเดินทางจาริกไปตามสี่สังเวชนิสสถานเช่นสารนาศหรือว่าพุทธคยาหรือว่ากุศินาราลุมพินีอันนี้เรียกว่าพุทธภูมิ แต่ว่าขอขามาไปบริเวณที่คนท้องถิง่นเรียกเทวภูมิก็คื อ, อที่สิงสถิตของเทพเทเทพพยาดาทั้งหลายคนเหินดูก็เชื่อว่าเนี่ยตรงที่เขาหิมาลัยเนี่ยซึ่งมันเต็มไปได้วยภูเขาสลับซับซ้อนสูงเรียกว่าสูงที่สุดในโลกเนี่ยมันเป็นที่สิงสถิตของ เทวดาอาทิพระศิวะนะแม่น้ํำคงคาที่เขาว่ามาจากสวรรค์นเนี่ยนะก็มาจากตรงนั้นแหลนะจุดหมายปลายทางก็คือนะไปอยังต้นกําเนิดแม่น้ำํำคงคาก็ไปเกือบจะถึงชายแดนนะที่ติด ก, กับจีนนะแต่ทางคนดินเดียดนี่เขาไม่เรียกว่าชายแดนจีนนะก็เรียกว่าชายแดนทิเบตนะเหมือนกับว่าเขายังไม่ยอมรับว่า พื้นที่ตรงนั้นเป็นของจีนนะเป็นของทิเบตนะก็อยู่ห่างจากชายแดนไปถึงนั่นก็สดสดจริงๆก็เกือบ อ, อยู่ห่างจากชายแดนแค่สามสิบกิโลตรงนั้นเขาเรียกว่าโคมุกนะโคมุกก็คือปากวัวซึ่งเป็นถ้าใหญ่แล้วก็มันก็มีน้ำไหลออกมาจากถ้านั้นน้ํานั่นแหละนะ ก็ถือว่าเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ํำคงคาแต่ว่าชื่อของแม่น้ํานั้นเนี่ยไม่ได้ชื่อคงคานะก็ชื่อชื่อว่าพระคีรีีนะพระคีรีีซึ่งพอไปรวมกับแม่น้ําอีกสายนึ่งก็คืออรคกนันทะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแม่น้ํำคงคาก็เหมือนกับปิงวางยมนาญพอมารวมกันก็กลายเป็นเจ้าพยายจะหาต้นกําเนิดเจ้าพยาก็ต้องโน่นนะตามไปจ น, นถึง ต้นกำเนิดของปิงวางยมนาก็คือดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์เนี่ยก็สูงแค่สองพันเมตรนะสองกิโลแต่ว่าภูเขาพระคีรถถีแล้วก็เหล่าภูเขาที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำคงคาซึ่งมีซึ่งมีเยอะนะมันสูงก็6 000, 7พ0เจ็นเมตรเส้นทางที่เดินทางไปเนี่ยมันก็เป็นเส้นทางจาริกของ าชาวอินเดียหลายศาสน า, าที่สำคัญก็คือชาวฮินดูนะนจะเรียกว่าการเดินทางนี้เนี่ยเป็นการเดินตามรอยเส้นทางจารีตของชาวฮินดูก็ได้แต่ว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยก็ไม่ได้เพื่อไปศึกษาชีวความเป็นอยู่ชาวฮินดนะูแต่ว่าไปเพราะว่าธรรมชาตาิที่เป็นจุดหมายปลายทางของพวกเราเนี่ยซึ่งมีอยู่ห้าคนเนี่ย มันสวยงามนะไปเพราะว่าเขาล่ำเลือนว่ามันยิ่งใหญ่ตาการตาแล้วก็สวยงามแต่ก็ไปลำบากนะตลอดสิบกว่าวันที่เดินทางในประเทศอินเดียเนี่ยนั่งรถทั้งวันเนี่ยสามวันนะทั้งวันเนี่ยคือว่าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยสิบชั่วโมง แล้วก็เดินเท้านะเดินด้วยเท้าจริงๆเนี่ยอีกห้าวันนะแต่ไม่ใช่เดินติดตดกันทั้งห้าวันนะเดินสามวันแล้วก็แล้วก็นั่งรถนะอีกวันหนึ่งแล้วก็เดินอีกสองวันวันสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นวันที่เดินกลับจากโคมุกลงมาที่คังโคตรีเดินประมาณยี่สิบสี่กิโลนะเดินรวดเดียวนะรวดเดียวหมายความว่าเช้ า, ชาถึงเย็น ก็มีพักบ้างเรียกว่าต้องเดินล้วนๆนะไม่มีไม่มีเครื่องทุนแรงกยกกเว้นขี่ม้านะแต่ว่าคนจา่าลึกจริงๆเขาไม่ขี่ม้านะเขาก็เดินเอาจุดหมายปลายทางคือเพื่อไปสัมผัสกับธรรมชาติที่เขาร่ำเรือว้วก็สวยงามแล้วก็ตะการตายิ่งใหญ่ซึ่งมันก็ยิ่งใหญ่จริงๆนะไปถึงแล้นี่ก็เลยเชื่อเลยนะว่า สมแล้วนะที่คนฮินดูเนี่ยเชื่อว่าภูเขาหรือเทือกเขาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นที่สิงสถิตของเทพพยาดาหรือว่าพระเจ้าเพราะว่าธรรมชาติมยิ่งใหญ่ภนะูเขาสูงนะเมืองไทยนี่เทียบไม่ได้เลยนะพูดถึงความสูงของภูเขาที่นั่นมันสูงจนกระทั่งเทียมเรียวเลยแม่อกไปมีหิมาปกคลุม ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมนี่สูงมากประมาณ6ก0ันเจ็ันเมตรแล้วก็ความเด่นของภูเขาหลอนนั้นเนี่ยสำหรับเราซึ่งเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆเนี่ยจะรู้สึกเสมือนว่ามีคนกำลังมองเราอยู่ขณะที่เดินลัดเ ล, ล, ลาะไหลเขาซึ่งเรียกว่าขอบเพวดีด้วยนะมันไม่ใช่ไหลเขาธรรมดาเป็นขอบเพวเลยนะเพราะว่ามันสูงมากจนกระทั่งไม่มีต้นไม้ ไม่มีต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นมีแต่หญ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็มองเห็นทะลุระยนต์ถึงเหวไปเลยจะเป็นเขาเมืองไทยเรามองเวลาเราก้มลงนะมองไปข้างล่างนก็จะติดต้นไม้มีต้นไม้บังเอาไว้ทำให้ไม่เห็นขอบเหวไม่เห็นไม่เห็นเหวที่อยู่ข้างล่าง แต่พอไม่มีต้นไม้บังเนี่ยเพราะว่าต้นไม้มันขึ้นไม่ได้มันสูงมากนะขนาดสี่พันกว่าเมตรเนี่ยมันมีแต่หินทั้งนั้นอ่ะพอมองลงไปเนี่ยก็ไปเจอเหวเลยนะเป็นกิโลเลยนะที่อยู่ข้างล่างแล้วข้างล่างนี่มันไม่ใช่แค่แค่เหวธรรมดามันเต็มไปด้วยน้ำสายน้ําที่ใหญ่ส่งเสียงดังไหลเชี่ยวมากเหมือนกับน้ําป่าเสียงดังกึกก้อง ข้างล่างก็เป็นเหลส่งเสียงดังกึกก้องตลอด24ชั่วโมงนะข้างบนก็เป็นภูเขาซึ่งมีหิมะปกคลุมนะทายานอยู่เหนือเมฆเนี่ยคนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งคนทุกวันนี้ก็ตามเนี่ยอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าภูเขาหล่อนนั้นเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆเป็นใครสักคนเป็นยักษ์ปักหลันที่กำลังมองเราอยู่ นะไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนก็จะมีคนเฝ้ามองนะอันนี้บรรยากาศแบบเนี้ยมันก็ชวนให้นึกถึงว่ามีพระเจ้าที่อยู่อยู่ตรงนั้นแหละเราก็ยิ่งเราเห็นภาพของยอดเขาที่อยู่เหนือเมฆนะมันก็ทําให้คนนะจินตนาการถึงสวรรค์คนสมัยก่อนก็จินตนาการว่าสวรรค์ก็คือวิมานที่อยู่เหนือเมฆ ไปเห็นภูเขาอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็นึกถึงสวรรค์ในจินตนาการของคนสมัยก่อนทั้งคนแขกคนไทยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าที่เขาเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าเทวภูมิเป็นเพราะว่าเขามีความเพราะว่าภาพที่เขาเห็นเนี่ยมันเหมือนกับสวรรค์ในจินตนาการของเขาหรือเป็นเพราะว่าเขาเห็นภาพเหล่านั้นเขาก็เลยจินตนาการสวรรค์ขึ้นมาว่ามันก็คือบิมานที่อยู่เหนือเมฆอยู่ตรงนั้นเนี่ยมนุษย์ตัวเล็กมากนะเล็ก แล้วก็แทบจะช่วยตัวเองอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าอาหารก็ไม่มีนะจะมีก็แค่น้ำอากาศก็เบาบางเดินไปสักสองสามก้าวก็เหนื่อยแล้วนะข้างล่างก็เป็นเป็นเหวน้ำส่งเสียงดังมนุษย์เราจะรู้สึกว่าแบบบางบอบบางที่สุดก็ในสภาวะเช่นนั้นมันก็ยิ่งรู้สึกว่าต้องพึ่งพา อำนาจศักดิ์สิทธิ์บางอย่างหรือว่าเกิดความรู้สึกยำเกรงธรรมชาติขึ้นมาธรรมชาติเมืองไทยมันไม่ค่อยน่ายำเกรงเท่าไหร่น ะ, ะยิ่งเราอยู่ในพื้นราบเนี่ยหรือแม้แต่เขาอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่าเกรงขามเท่าไหร่เขาก็สูงไม่มากน้ำท่าก็หาได้หลงป่าก็ยังสามารถจะหาอาหารได้นะสามารถจะช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้ แต่ว่าไปอยู่บนสถานที่เหล่าตรงนั้นเนี่ยมันมันไม่มีทางที่จะหาอาหารได้เลยนะเพราะว่ามันมีแต่หญ้านะอ่าแล้วก็ธรรมชาติก็น่ากลัวเพราะว่ามันหนาวหนาวเหน็บนะแล้วก็วันดีคืนดีก็อาจจะมีหินตกลงมาเพราะว่ามันมีแลนดสไลด์หรือว่าดินดินถล่มเนี่ยเป็นประจำเวลาเดินลอขอเหวไปยังโคมุกเนี่ย เส้นทางประมาณ18กิโลก็ต้องคอยดูข้างบนนะข้างบนว่าเนี่ยมีหินจะมีหินตกลงมาหรือเปล่าคอยเดียวกันก็ต้องระวังข้างล่างว่าเราจะไม่เดินพลัดตกลงไปแต่ว่าก่อนที่จะถึงเส้นทางตรงนั้นเนี่ยนะมันก็เราก็ได้มีโอากาสนะได้สัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนอินเดียได้พอจะเห็นนะอ่ะ การการจาริกสแสวงบุญของชาวอินเดียก็อย่างที่บอกว่าเส้นทางที่เราไปมันเป็นเส้นทางที่คนอินเดียก็ใช้จาริกกันเริ่มตั้งแต่นลูสีเกตนะลูซีเกตเนี่ยเป็นเมืองที่เรียกว่าอาอยู่เชิงเขาละนะแต่ว่าก็ยังอยู่บนเขานะแต่เป็นไปปลายเขาแล้วเพรพวกเราเริ่มต้นกันที่นั่นนะที่ลูซีเกตนะ ือสีเกตนี่ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเดี๋ยวนี้ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวไปแล้วที่มีชื่อก็เพราะว่านักดนตรีวง The b e ิ t เ e เนี่ยเมื่อห0สิบปีก่อนเนี่ยเขาเคยไปไปสแสวงหานะไปศึกษาเรื่องสมาธิภาวนาจากือสีที่นั่นนะชื่อว่ามหาลอสีโยเกนในสักอย่างลวนะมาเฮดโยคีมหาลุสีมาเฮดโยคีน ซึ่งก็คงแรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเดอะบิเทิลแล้วก็ฝรั่งในรุ่นเดียวกันพวกฮิปปี้อะไรต่างก็ก็ดันโด้ น, ดนกันไปที่สือสีเกตเพื่อไปศึกษาสมาธิภาว น, นาฝรั่งที่เขาอยู่ท่ามกลางความพังพร้อมทางวัตถุแล้วเขาก็ไม่มีความสุขส่วนนึงก็ไปหาย ไปหายาเสพติดเป็นทางออกอีกส่วนนึงก็หันมาหาสมาธิภาวนาก็ดันดนมาที่รือศีเกตนะ์แล้วก็มาเรียนเรื่องสมาธิภาวนาจากพวกลือศีโยคีซึ่งตอนนั้นรือศีเกตก็เป็นเมืองที่คิดว่าสงบร่มรื่นนะเพราะว่าอยู่ริมน้ำน้ำก็ไม่เชี่ยวแนละ้วแม่น้ำคงคาเนี่ยพอพอมาถึงรือศีเกตนี่ก็จะว่าเชี่ยวก็ไม่เชิงเชี่ยวแต่ไหลแรงนะไหลแรง แต่ว่ามันไม่มีลักษณะของน้ำป่าแล้วก็เป็นเมืองที่มีภูเขาสูงแต่ว่าภูเขานี้ก็เขียวชวยอุ่มนะไปด้วยต้นไม้บรรยากาศก็สงบร่มรื่นเมื่อห้าสิบปีที่แล้วนะแต่ตอนนี้นี่เรียกว่าจอแจมากเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาหลายคนก็มาเรียนโยคะสำนักโยคะนี่มีเป็นมีเป็นรนะ้อยเนย แต่เป็นสำนักแบบสำนักห้องแถวนะก่อนไปได้ยินว่าฤาษีเกศนี่มีอาสมเยอะไอ้เราก็นึกว่าอาสมเนี่ยคือที่ที่มีบริเวณนะแล้วก็มีกระต๊อบเล็กๆนะอยู่กันคล้ายๆแบบคล้ายๆวัดเราเงี้ยเเรียกว่าอาสมไปจริงๆเนี่ยมันเป็นตึกนะนะเป็นตึกซะส่วนใหญ่เป็นอาคารสองชั้นสามชั้นอย่างนี้เขารเรียกว่าอาสมละถ้าเป็นบ้านเราเรกาเรก็เรียกว่าตึกแถวนะเยอะไปหมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดูแล้วนะมันมันก็ไม่ค่อยร่มรื่นเหมือนเมื่อก่อนแต่ถ้าออกนอกไปออกนอกเมืองเนี่ยก็จะมีธรรมชาติที่ร่มรื่นมีคนไทยหลายคนก็ไปเรียนโยคะนะเรียนบางร้อชั่วโมงบางงร้อชั่วโมงมัางห้าร้อชั่วโมงบางก็เสียกัน2อสหมื่นไปเรียนเพื่อจะเป็นครูโยคะแต่ว่าที่นั่นเนี่ยที่น่าสนใจคือพวกพวกพวกโยคีพว ก, กเรียกว่าสาธุนะสาธุก็เหมือนกับนักบวช นักบวชฮินดูสมัยก่อนเนี่ยนะเราคงทราบดีว่สมัยพุทธกาลเนี่ยมีลัทธิพราหมณ์ลัทธิพราหมณ์นี่เขาไม่มีนักบวชนะคนที่เป็นพราหมณ์เนี่ยก็อยู่บ้านมีครอบครัวแล้วก็ทําหน้าที่คือประกอบพิธีกรรมตอนหลังเนี่ยพอมีพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วพุทธศาสนาก็แพร่หลายจกนกระทั่งบทบังนะลัทธิพราหมณ์ลทัทธิพราหมณ์นี่เขาก็พยายามเรียกว่า ตอบโตนะ้ตอบโต้พุทธศาสนาไม่ใช่ตอบโต้ด้วยการทํำลายพุทธศาสนาแต่ว่าปรับตัวปรับตัวด้วยการคล้ายๆว่าเรียนแบบพุทธศาสนาที่สำคัยคือมีนักบวชมีนักบวชที่ละละบ้านเป็นอนาคาริกนะแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้โดยการขอเหมือนกับพระในพุทธศาสนาเนี่ย นักบวชเหล่านี้เราก็เรียกว่าสาธุนะไม่ใช่โยคีนะัโยคีนี่คือพวกอยู่ป่าบางทีอยู่ป่านี่ไม่สง่งไม่เกี่ยวข้างกับผู้คนแต่ว่ามีสาธุในสาธุนี่เหมือนนักบวชก็คือนักบวชที่คล้ายๆพระในในพุทธศาสนาสาธุเหล่านี้เนี่ยมาทีหลังพุทธศาสนานะแล้วการที่รัติพราหมณ์เนี่ยเขาปรับตัวให้เรียนแบบพุทธศาสนาเนี่ยในที่สุดก็สามารถที่จะได้รับคำนิยมได้รับความนิยม จากผู้คนและตอหลังก็สามารถจะกลืนพุทธศาสนาได้กลืนพุทธศาสนาให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาฮินดูนะจากลทัทธิพราหมณ์เนี่ยเขาพัฒนาเป็นศาสนาฮินดูมีวัดมีนักบวชมีสาธุแล้วก็สามารถที่จะกลืนพุทธศาสนาได้พุทธศาสนาในอินเดียเนี่ยสาบสูญไปจากอินเดียนี่ไม่ใช่เพราะเพราะอิสลามนะคนไปเข้าใจผิดว่าเป็นเพราะว่า กองทัพมุสลิมเนี่ยทำลายวัดวาอารามฆ่าพระอันนั้นกเน็เป็นความจริงอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่เหตุผลสําคัญที่ทําให้พุทธศาสนาเสื่อมหายไปจากอินเดียไม่มีศาสนาใดหรือแม้แต่ลัทธิอุดมการ์ใดที่ถูกทําลายได้ด้วยอาวุธนะลองสังเกตดูในประวัติศาสตร์โลกเนี่อลัทธิอุดมการ์ทั้งหลายรวมทั้งศาสนาเนี่ยไม่เคยมีลัทธิอุดมการณ์ใดที่ที่สูญพันธ์ไปเพราะ มีดดาบปืนอาวุธแม้แต่ลทัทธิคอมูนิสต์เนี่ยก็ไม่ได้ถดถอยไปเพราะว่า อ, า, อาวุธของฝ่ายทุนนิยมนะแต่เป็นเพราะว่าพ่ายแพ้นะพ่ายแพ้ทางอุดมการณ์นะ <c oughs> คือไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนได้หรือว่าถูกกลืนนั่นเองลัทธิคอมมนิสต์นจีนตอน <c oughs> นี้มันก็เป็นทุนนิยมไปแล้ว <c oughs> เป็นทุนนิยมนะในคราบ <c oughs> เป็นทุนนิยมแต่อยู่ในคราบคอมมิวนิสต์นะ ศาสนาพุทธก็เหมือนกันนะไม่ได้ถูกทำลายเพราะว่าคมดาบนะของกองทัพ ม, มุสลิมแต่เป็นว่าถูกกลืนนะโดยศาสนาฮินดูจกนกระทั่งเขาทำให้พุทธศาสนาเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาฮินดูพระตัวเจ้าก็กลายเป็นอวตารหนึ่งนะของศาสนาฮินดูกลายเป็นอวตารหนึ่งของพระวิษณุพานารายนะไปที่วุรสิเกก็มีวัดใหญ่วัดหนึ่งนะ ก็จะมีรูปอวตารต่างๆของพระวิษณุพระนาลายก็มีรูปพุทธเจ้าด้วยนะคนฮินดูจํานวนไม่น้อยเนี่ยเชื่อว่าพุทธเจ้านี่ก็เป็นอวตารหนึ่งของพระนาลาย์พระวิษณุนะอันนี้เป็นความสําเร็จของาศาสนาฮินดูนะที่กลืนพุทธศาสนาได้อันนี้ก็เป็นความบกพร่องผิดพลาดของพุทธศาสนาที่ที่เราไปตอนหลังเราละทิ้งหลักการแทนที่จะนับถือพุทธเจ้าเป็นาศาสดา ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ก็กลับไปนับถือพระองค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเป็นยอดมนุษย์หรือเห็นพระองค์เป็นเทพนะก็วิงวอนร้รองขอนะจาก พ, กพระพุทธเจ้าก็เลยผู้เจ้าก็เลยกลายเป็นถูกแปลงให้กลายเป็นอวตารหนึ่งของอ่าพระวิษณุพันนลายไปอันนี้เราต้องเข้าใจดีนะว่าพุทธศาสนานเนี่ยถูกสูญสลายไปไม่ใช่เพราะว่าถูกฆ่าถูกทําลายถูก ใช้อาวุธคมมีคนด่าคนกองทรร ม, มุสลิม น, นะแต่ว่าเป็นเพราะเราเราไม่แม่นคงในหลักการเราลืมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็เลยถูกกลืนไปการ น, นี้ที่ต้องการพูดคือว่าที่รูซีเกตนี่ก็มีนักบวชเยอะนะและตลอดเส้นทางที่เดินทางจากบรูซีเกตไปจนถึงโคมุกเนี่ยนะก็ผ่านหลายเมืองก็ยังไปยังที่ ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูที่ก็ถือเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำคงคามีอยู่4จุดนะที่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนจาริกนะก็คือเคดานเคดานาธพัทรีนาธบตทรีนาธยำโนตรียำโนตรีก็คือต้นกำเนิดของแม่น้ำยมุนาและคังโคตรีคือต้นกำเนิดของแม่น้ำคงคาพวกเราไป2จุดนะคือบาทรีนาธกับคังโคตรี ก็ทั้งระหว่างทางแล้วก็จุดหมายปลายทางที่ว่านี้ก็เจอพวกสาธุเยอะนะนักบวชทินดูพวกนี้เนี่ยก็หลายคนก็เป็นคนที่ละทิ้งบ้านเรือนเป็นอนาคาริสนะแล้วก็แสวงหาการหลุดพ้นที่ ท, ที่เขาเรียกโมกษะโมกษาเนี่ยนะเป็นภาษาสันสกฤตถ้าเป็นภาษาบาลีก็โมกขะโมคขธรรมสวนโมกเนี่ยสวนโมกคือสวนแห่งความหลุดพ้นเนี่ยภาษา ส, สันกิรเขเรียกโมกษะนักบวชเหล่านี้ก็มุ่งแสวงหาโมกษะนะก็อยู่ได้โดยการขอนะไม่เราจะเห็นนักบวชเหล่านี้เนี่ยเรียกาสาธุเนี่ยบางทีก็นั่งขอทานนะเรียกแบบภาษาชาวบ้านคือนั่งขอขอทานก็มีทั้งของของจริงก็มีนะก็คือเป็นผู้ที่แสวงหาทางบุญพ้นะลาทิ้งบ้านเดือเป็นอนาคาิกนะไปบเปาเพ็ญภาวนา แล้วพวกนี้หลายคนก็บําเทาภาวนาจริงนะคือว่าไม่มีวัดนะไม่มีวัดแล้วก็ไม่มีทรัพย์สมบัติหรือบริขารอะไรมากหลายคนนี่อยู่ง่ายยิ่งกว่าพระอีกนะพระนี่ยังมีวัดนะยังมีบริขารมากมายแต่สาธุเหล่านี้นี่หลายคนเราเห็นว่าเขาไม่มีอะไรเลยนะเขากระจาลึกไปเรื่อยๆแล้วก็นิยมจาลิกไปยังที่เนี่ยที่สแสวงบุญเหล่านี้ ไปบาเพ็ญภาวนาแต่ก็มีบางพวกที่แฝงตัวมานะปลอมตัวมาเป็นสาธุเพื่อที่อยากขอทานอันนี้ก็มีอยู่นะเพราะว่าศาสนาของเขาเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีกฎหมายนะบ้านเรามีกฎหมายคณะสงฆ์นะแต่ว่าอินเดียก็ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับนักบวชเพราะนั้นเนี่ยใครจะทำอะไรก็ได้ใครจะทำอะไรก็ได้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ย ดูแลกันเองเป็นเรื่องที่องค์กรของนักบวชแต่ละแห่งเขาเขาดูแลกันเองแต่ก็มีสาธุหลายคนที่ไม่สังกัดองค์กรนะเขาก็เรียกว่ า, าต้องการความเปรีพ้นเขาก็อยู่ว่างอยู่ดีวันดีคืนนี้เขาก็ออกบวชทิ้งบ้านทิ้งเรือนผู้จ่าเลือดแสงบุญกลุ่มหนึ่งที่เห็นบ่อยนะตามเส้นทางก็คือชาวซิกชาวซิกนี่เขาเขาเป็นาาศนาสนาซิกนี่เป็นาศาสนาที่ จะเรียกว่าพัฒนามาจากาศาสนาอิสลามเขามีความมุ่งหมายที่จะไปให้เหนือไปให้พ้นการแบ่งแยกทางาศาสนาระหว่างอิสลามกับฮินดูอินเดียเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันระหว่างอิสลามกับฮินดูนะเพราะาอิสลามเนี่ยเป็นเหมือนกับว่ามาเป็นผู้ลุกรานจากเอเชียกลาง จากเปอร์เซียหรืออิหร่านเนี่ยมาลุกรานมายึดครองอินเดียเป็นพันปีแล้วแล้วก็ศาสนาอิสลามก็จํานวนไม่น้อยเนี่ยคนมุสลิมเขาก็มีท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์กับาศาสนาอื่นโดยเฉพาะฮินดูแล้วก็มีการต่อสู้มีการปราบปรามมีการกวาดล้างมีการทําลายวัดฮิดนดูฮินดูก็สู้นะคราวนี้ทางาศาสนาซิกเนี่ยเขาก็เป็นาศาสนาที่ต้องการที่จะ เป็นศาสนาทิลักสันติต้องการที่จะไปให้เหนือการแบ่งแยกระหว่างอิสลามกับฮินดูจะเรียกว่าเป็นการรวมฮินดูกับมุสลิมอิสลามกแต่รวมไปรวมมากลายเป็นศาสนาใหม่งอกเจ้ชาชิกเนี่ยนะเขาก็มีการจาริกสแสวงบุญนะก็เพลินจุดหนึ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางของคณะเราคือเทะเลสาบเฮมคุณซึ่งอยู่สูงมากนะระดับน้ำทะเลประมาณเกือบ 4,500 เมตร นะกว่าจะไปถึงได้นี่ก็เลียกทุลักทุเลมากเพราะว่ า, ามันอยู่สูงนะแล้วก็ภูเขาชันสี่โี่รถแม่สุดท้ายเนี่ยไปไม่ไหวนะต้องนั่งมา้าต้องขี่มา้าต้องขี่ม้าเพราะว่าเขาชันมากขนาดขี่ม้านี่ต้องสองชั่วโมงเลยนะถ้าเดินเนี่ยประมาณไม่น้อยกว่าหกเจ็ดชั่วโมงเพิ่มคุณเนี่ยเป็นทะเลสาบที่สวยงามนะอยู่อยู่ใน ล้อมรอบด้วยภูเขาภูเขาที่เป็นหิมะล้อมรอบด้วยภูเขาหิมาก็แล้วกันคนคนซิกเนเขาก็คิดว่าเา้าคงมีความคิดว่าสักวันหนึ่งสักครั้งในชีวิตเนี่ยต้องไปอาบน้ำในทะเลสาบเฮนคุนนระ้นระหว่างทางเนี่ยก็จะเห็นรถมอเตอร์ไซค์บ้างรถเก๋งบ้างหรือว่ารถ โดยสารเนี่ยนะติดธงสีส้มธนะงสีส้มเนี่ยก็คือธงที่เป็นสัญลักษณนะ์ของชาวซิกแล้วก็น่าสนใจนะก็คือว่ามันไม่ใช่มีแต่คนแก่นะมีคนหนุ่มคนสาวพ่อแม่พาลูกมาบางทีพามาครอบครัวเจอคุณยายหลายคนเลยนะ พวกนี้เนี่ยไม่ยอมนไม่ยอมขี่ม้านะเดินมาเป็นสิบกิโลนะมีอาจจะมีอาจจะมีมีลูกหามเนี่ยแบกของแต่คนเจ็ดสิบเนี่ยนะเดินขึ้นเขาให้เราเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยนะหนุ่มๆ น, นี่ก็หนุ่มกับเขานะแต่ไม่ได้หนุ่มอ่าเท่าไหร่เท่าหกเกือบหกสิบแล้วก็ยังเหนื่อยเลยแต่ คุณยายนะคุณปู ça, ่นีก็เดินด้วยความศรัทธาแต่มันก็ไม่ใช่มีแค่นี้นะมีเด็กนะเด็กนี่ก็9ขวบ10บขวบสองสาขวบก็มีพ่อแม่เนี่ยมากันทั้งครอบครัวไอ้แบบนี้ไม่ไม่ค่อยได้เห็นนะในเมืองไทยอ่ะคนที่จะไปจาริกอย่าว่าแต่จาริกไปที่ไกลๆที่มันลำบากลำบนนะหรือว่าอ่กันดานเลยแม้แต่วัดธรรมดาก็ไม่ค่อยเห็น คนพาครอบครัวทั้งครอบครัวเนี่ยมานะมาเพื่อที่จะาจาริกสแสวงบุญนะแต่ว่าบนเส้นทางไปไทยศาสตรเพมคุณเนี่ยเจอเยอะมากชดชาวซิกนะแล้วเข้าไปถึงเขาก็อาบน้ำน้ำหนาวมากนะมันเหมือนกับ น, น้ำเกิดจะเป็นน้ำแข็งแล้วอย่างน้อยก็ดำผุดดำว่ายสักสองสามครั้งนะอันนี้ทำเนียคล้ายๆกับชาวฮินดูนะที่ สักครั้งหนึ่งชีวิตต้องอาบแม่อาบแม้น้ำคงคาที่ลึกซึ้งเกเนี่ก็เห็นคนลงไปอาบน้ำแล้วก็ที่พัทรีนาศนะก็มีคนอาบน้ำเหมือนกันแต่ว่าน้ำมันแรงอันนี้ก็เป็นเราได้เห็นศรัทธาของผู้คนนะที่เราจะคิดว่าเขามีความเชื่ออไม่เหมือนเรานะแต่ว่าศรัทธานี่เขามีมากแล้วก็ในบรรดาสาธุเนี่ยธรรมาคิดว่าก็คงมีกลุ่มหนึ่งนะอันนี้ก็น่าสนใจเป็นนักบวชที่แปลก จะว่าเป็นนักบวชก็ไม่เชิงนะแต่ว่าเป็นอนาคาลิตดีกว่าคือผู้ชายอินดูเนี่ยเขาเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นอยู่ที่วัดหรืออยู่บนภูเขาหรือว่าอยู่สิงสถิตอยู่กับพระพุทธรูปอยู่กับอยู่กับเทวรูปอันนี้เป็นความเชื่อของอินดูคือพระเจ้าเนี่ยจะอยู่อยู่ข้างนอกอยู่ที่วัดอยู่ที่วิหารอยู่เทวสถานอยู่บนเขานะ อยู่สิงสถิตยอยู่ในเทวรูปแต่มันมีนักบวชกลุ่มหนึ่งนะก็ เ, เรียกว่าบอลพวกนี้เนี่ยเขาเชื่อพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในอยู่ในใจแล้วคนพวกนี้เนี่ยเขาก็เป็นอนาคาริคนะเป็นอนาคาริกทิ้งบ้านทิ้งเรือนแล้วก็อยู่ง่ายกินง่ายไม่มีบ้านเรือนและวิธีการวิธีการเข้าถึงาศาสนาของเขาเนี่ยเข้าถึงพระเจ้าของเขาเนี่ย รวมทั้งวิธีการเผยแผ่คำสอนเนี่ยเขาใช้เพลงผู้นี้จะร้องเพลงเพราะมากแล้วก็เพลงจะเป็นเพลงที่มีความหมายที่ชวนให้คนเนี่ยหันมาทบทวนกับชีวิตของตัวเองว่าชีวิตที่เราอยู่ในแบบผู้คองเรือนเนี่ยนะมันไร้สาระยังไงบ้างนะมันมีชีวิตที่ดีกว่านะก็คือชีวิตที่การเข้าถึงพระเจ้า แล้วก็เข้าถึงได้ด้วยการสละบ้านสละเรือนไอ้พวกนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเหมือนกับตรงข้ามกับนักบวชฮินดูเลยนะนักบวชฮินดูเนี่ยนะเขาจะเน้นเรื่องการบริกรรมในเรื่องการาท่องบทมนตราเพื่อเข้าถึงพระเจ้าจะต้องจาริกไปตามที่ต่างๆเพื่อได้สัมผัสกับพระเจ้าเช่นไปโคมุกไปอาบแม่น้ํำคงคา แต่พวกที่เป็นนักบวชที่ชื่อว่าบอลเนี่ยนะ เ, เขา เ, ข เ, ขเขาบอกว่าพระเจ้ามันอยู่ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจเราแล้วแทนที่จะใช้การเทศนาสั่งสอนนะอย่างนักบวชของฮินดูนะก็ใช้การการร้องเพลงเดินจาริกไปตามหมู่บ้านต่างๆก็ร้องเพลงนะใครที่ศรัทธาก็เอาข้าวมาให้ใครที่ชอบฟังเพลงก็มานั่งฟังเพลงนะ แล้วก็บางทีก็ถือว่าคนเรานี้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าเป็นผู้ที่สละคนอินเดียเนี่ยก็จะถือว่าผู้ที่สละโลกเนี่ยคล้ายๆเป็นผู้ที่น่านับถือนะเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์บางคนก็อาจจะมีความทุกข์ความโศกแล้วก็มาให้พวกนักบวชเหล่านี้เนี่ยนะช่วยปัดเป่าความทุกข์แต่ว่าสาระสาคัญที่ข้อมุ่งเนี่ยคือชวนให้แสวงหาทางหลุดพน้นหรือชวนให้มาพบพระเจ้า ภายในใช้วิธีการร้องเพลงไปตามหมู่บ้านต่างๆนะหรือไม่ก็นั่งรถไฟระหว่างที่นั่งรถไฟก็ร้องเพลงให้คนในรถไฟฟังนะเพื่อได้เกิดความรู้สึกทบเรียกว่าเกิดการตั้งคำถามกับชีวิตอันนี้ก็น่าว่าเป็นผู้ที่น่าสนใจแบบหนึ่ง น, ะนั่นก็คือว่าเขาแสวงหาทางหลุดพ้นโดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัดไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์กรนะ แล้วก็ไม่ได้ในเรื่องพิธีกรรมไม่ได้ในเรื่องการสวดมนต์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของพวกฮินดูพวกพราหมณ์นะแต่ในเรื่องการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่พวกนี้เขามีครอบครัวนะคือพอจาริกไปสักพักก็กจะหาคู่และพวกนี้เขาก็มีความเชื่อแปลคือว่าการเข้าถึงพระเจ้าเนี่ยภายในเนี่ยก็ต้องอาศัยวิธีการแบบตันตรานะตันตระคือการการมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยแบบตันต์คือการเอาพลังเอาพลังทางเพศของมนุษย์เราเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันเพื่อให้เข้าถึงภาวะที่เรียกว่าเหนือโลกนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขาแต่ว่าที่น่าสนใจคือว่าเขาก็ลาทิ้งบ้านเรือนนะเพื่อการแสวงหาความหลุดพ้นในอินเดียนี่มีพวกแบบนี้เยอะนะตั้งที่เขาก็จเจริญมาเยอะแล้วนะ แต่ว่าเราก็เพราะว่ามันมีคนที่แสวงหาด้วยความเชื่อทางศาสนาหลากหลายมากบางพวกก็เชื่อว่าการอยู่ในบ้านเรือนนะก็ทําให้พระปัจจายัางพวกซิกเนี่ยเขาเขาไม่มีนักบวชเขาเชื่อว่าไม่ต้องไปไหนหรอกนะอยู่บ้านนี่แหละใช้ชวิตอย่างชาวโลกนี่แหละก็สามารถจะเข้าถึงพระเจ้าได้แต่บางพวกนี้ก็เรียกว่ามันต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนต้องเป็นอนาคาริ เพื่อคนพบพระเจ้าภายในซึ่งในแง่นี้ก็คล้ายพุทธศาสนาตรงที่ว่าไอ้ความความหลุดพ้นเนี่ยหรือว่าความสงบหรือแม้กระทั่งนิพพานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันไม่ได้อยู่ที่นอกตัวหลายคนไปสแสวงหาความสงบนอกตัวมาสแสวงหาความสงบที่วัดไปสแสวงหาความสงบที่ธรรมชาติแต่ที่จริงแล้วเนี่ยความสงบพบได้ทุกที่นะเพราะว่ามันอยู่ที่ใจเราเนแต่ว่าไม่จำเป็นต้องออกต้องต้องละทิ้งบ้านเรือนก็ได้ อยู่บ้านเรือนเป็นผู้คลองเรือนนะก็สามารถที่จะเข้าถึงโลกุตรธรรมได้อย่า ง, อ ย, างอย่างพระอย่างอนาถพินิกาศเศรษฐีอย่างน า, น า, ธธา ง, นงวิสาขาแล้วก็อีกมากมายนะท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้คลองเรือนนะแต่ว่าก็สามารถจะบรรลุธรรมขั้นสูงได้บางท่านเป็นคฤหัสถ์แต่ว่าก็บรรลุธรรมเป็นพระรหัตนะก็มีเยินนะ สันตติอัมมาเนี่ยก็เป็นผู้หนึ่งนะที่เรียกว่าบารุธรรมเป็นพระรหรันทั้งที่ยังเป็นคาราวาสอยู่หรือการุธายีอัมมารนะหรือว่ายศักุลบุตรนะถ้าเหล่านี้ก็เป็นครือขัดนะแล้วก็บารุธรรมนะที่จริงแล้วเนี่ยมันก็มันไม่จําเป็นว่าจะต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนหรือเป็นนักบวชเท่านั้นนะถึงจะบารุธรรมขั้นสูงมันอยู่ที่ว่าการปฏิบัติว่า เป็นการปฏิบัติที่เข้าถึงนะสิ่งที่เรู้ว่าไตาศึกขาหรือว่ามักมีองแปะหรือเปล่านะแม้เป็นครือข่าก็ก็สามารถจะปฏิบัติและเข้าถึงได้แต่เมื่อเข้าถึงสภาวะที่หลุดพ้นก็เป็นผ้ารหัสผ้ารหัสแล้วเนี่ยนะร้อยท้งร้อยเนี่ยก็จะก็จะละทิ้งชีวิตครองเรือนนะมาเป็นมาเป็นนักบวชนะถ้าไม่เป็นนักบวชก็เพราะว่า อายุสั้นนะอย่างกัลลุไธยีนี่ก็เป็นพระลรหันแต่ไม่ทันได้บวชก็สิ้นลมนะหรือว่าท่านภาหฮยะเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระลรหันแต่ว่าถูก ว, วัวขีดตายขณะที่ไปหาจีวรไปหาบาศนะจะมีหลายท่านที่บรรลุธรรมเป็นพระละหันแต่ไม่ทันได้บวชบางท่านก็พอาป่วยหนักเช่นพระเจ้าสุทธโธทนะ ก็เป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะสิ้นลมไม่ทันได้บวชอันนี้ก็เล่ามาเพื่อให้เราได้ได้รับรู้ว่าเนี่ยเอยเส้นทางการสแสวงหาเนี่ยนะมันมีหลากหลายมากนะโดยเพราะนะอินเดียนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่ามันมีเยอะไปหมดนะที่เล่ามานี่ก็เป็นส่วนน้อย ว, ว่างจะเล่ามาอีกนะว่ามันมีการสแสวงหาทางหลุดพ้นอย่างไรบางเส้นทางมันก็พาไปได้แค่ความสงบนะ แต่ว่ามันไม่สามารถจะพาไปสู่ความหลุดพ้นได้อันนี้ผูดจามุมมองพุทธศาสนานะพอบางเส้นทางนี้ก็ยังยังเต็มไปด้วยความยึดติดที่เรียกว่าศิลปตาปรามาสศิลปตะปรามาคือความยึดติดในรูปแบบยึดติดในวัดในข้อวัดในการปฏิบัตินะบางบางเส้นทางนี้ก็เรียกว่ามีวิชาทิฏฐิ ในเบื้องท้ายคือความเชื่อในเรื่องของตัวตนเรื่องของอัตมันแต่ว่าที่น่าสนใจคือเขาพวกนี้เขามีศรัทธาแล้วก็พยายามละทิ้งความสุขสบายละทิ้งชีวิตทางโลกเพื่อสแสวงหาไอาการสแสวงหาทางหลุดพน้นนี่แม้ว่าโลกจะพัฒนามากี่กี่พันหรือว่ากี่หมื่นปีมันก็ยังมีคนที่มุ่งสแสวงหาทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งคนที่มีความสุขสบาย อย่างทุกวันนี้เนี่ยคนจีนก็ดีคนฝรั่งก็ดีเนี่ยในวันนี้เนี่ยก็มีกลุ่มคนจีนนะกลุ่มคนฝรั่งแล้วเข้ามาวันนี้กขาก็แสวงหาระดับหนึ่งนะแสวงหาความสงบนะอาจจะไม่ถึงขั้นหลุดพน้นแต่ว่ามันก็จะมีคนแบบนี้อยู่ตลอดนะเพราะว่าในส่วนลึก ข, ของมนุษย์นะเนี่ยเราต้องการนะความสงบเย็นอยู่ที่ว่าเป็นความสงบเย็นชั่วคราวหรือความสงบเย็นที่แท้นะ ซึ่งคำตอบของพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีอยู่ให้เราได้ได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติก็คำนี้ก็เพู่กันเท่านี้ก่อนนะกลับภาพพร้อมกัน